สมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะดับคันทัปรินิพานในปัจชิมายามแห่งราตรีวันเพ็ญเดือนหกเนี่ยนะนะสมัยนั้นเหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาจากจักรวาลต่างๆเทวดาเหล่านั้นก็มารำพึงรำพันร้องให้ล้มลงกลิ้งเกลือกเหมือนคนมีเท้าขาดเหมือนกันบางพวกก็สำคัญ อากาศว่าเป็นแผ่นดินบางพวกก็สําคัญว่าเป็นแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินร้องให้ ค, คร่ําครวญกันว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงตาของโลกเนี่ยนะพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลกดับขันธปรินิพานเร็วหนัก น, นะคือพระองค์ผู้มีพระจักสุทําไมพระองค์จึงปรินิพานเร็วนักเพราะเราเทวดาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะรำพึงอยู่เสมอว่ากิจของตอนนี้ยังไม่เสร็จ เมื่อตัวเองยังทำกิจไม่เสร็จเหมือนคนทำงานไม่เสร็จเนี่ยนะซึ่งต้องอาศัยแสงสว่างพอดีแสงสว่างนั้น อ, อ่ต้นเหตุแห่งแสงสว่างกำเนิดแสงสว่างนั้นเกิดดับไปทำให้เศร้าโศกเสียใจห้วราลึกนึกถึงว่ากิจของตนก็ยังไม่สาเร็จเช่นกับพระนรนพระนนก็คิดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานเร็วนักนะท่านเองก็ยังเป็นพระเสขะยังต้องศึกษาในอธิศีอธิจิตและ อธิปัญญาขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะปรินิพานท่านก็เศร้าโศกเสียใจว่าท่านเนี่ยยังต้องพึ่งพิงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอยู่นี้ย้อนกลับมาที่บอกว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะเทวดาเหล่านั้นท่านก็คำนึงว่าพระองค์ผู้มีจักรสุพระผู้มีพระจักรสุเนี่ยปรินิพานเร็วนักถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะ พระองค์มีพระจักสุด้วยจักสุอะไรบ้างเราบอกว่าพระองค์มีจักสุด้วยจักสุหประการเ น, นะนื่องจากว่าพระองค์มีมังสะจักสุพระองค์มีทิพจักสุพระองค์มีปัญญาจักสุพระองค์มีพุทธจักสุและพระองค์มีพระสมันตะจักสุอันดับแรกที่บอกว่าพระองค์เป็นผู้มีพระมั ง, มงสะจักสุเนี่ยนะหมายถึงตาเนื้อทั้งหลาย มังสะาก็คือเนื้อตาก็คือจักษุเนี่ยนะตาเนื้อพระองค์เนี่ยมีตาเนื้อตาเนื้อของพระองค์เนี่ยมีอยู่ห้าสีด้วยกันพระองค์เนี่ยมีตาอยู่ห้าสีคือข้างในนะแต่ว่าในในลักษณะที่สวยงามคือพระองค์ดวงตาของพระองค์เนี่ยมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำและสีขาว ดวงตาของพระองค์เนี่ยนะปรากฏแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเก็บอกว่าสีทั้งหลายเนี่ยนะทั้งทั้งห้าสีเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดําเนี่ยมีปรากฏอยู่ในพระจักษุของพระองค์สีเขียวเนี่ยนะเป็นเหตุให้พระศมีสีเขียวเนี่ยสร้างออกมาสีเหลืองก็เป็นเหตุให้พระศมีสีเหลืองเนี่ยสร้างออกมาสีแดงก็ทําให้พระอ พระรัศมีสีแดงเนี่ยซ่านออกมาแล้วก็สีดำก็ทำให้รัศมีสีดำเนี่ยซ่านออกมาสีขาวก็ทำให้สีสขาวเนี่ยไหลแผ่ส่านออกมาเพรา ะ, ะดวงตาของพระองค์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งพระรัศมีทั้งหลายก็แผ่ส่านออกมาทีนี้ในรอบวงตาพระองค์ก็มีขนพระเนตรตั้งอยู่ในเฉพาะนนะขนพระเนตรของพระองค์เนี่ยนะก็คือขนตาเนี่ยมีสีเขียว เขียวดูเ <palm> อ่อเขียวดีน่าดูหน้าชมเหมือนสีดอกผักตบเนี่ยนะดอกผักตบนี่สีเขียวงดงามฉันใดอ่าถ้าถ้าหากว่าค่อยๆมองตั้งแต่รอบขนตาของพระองค์เข้าไปเนี่ยนะขนตาของพระองค์นี่จะมีสีเขียวน่าดูหน้าชมเหมือนสีดอกผักตบนิ้ทัดเข้าไปลึกเข้าไปอีกเข้าไปข้างในจะเป็นสีเหลืองเหลืองนั้นก็จะเหลืองดีนะสีเหมือนทองคํา สีหน้าดูหน้าชมสีเหลืองเหมือนดอกกันนิกาเหลืองลึกเข้าไปในเบ้าพระเนตรเข้าไปอีกของข้างในอ่ที่พระเนตรทั้งสองข้างของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่มีสีแดงแดงดีแดงหน้าดูหน้าชมสีแดงเหมือนปีกแมลงทับทิมทองเนี่ยนะที่ท่ามกลางที่ท่ามกลางดวงตาก็มีสีดำดำดีไม่มัวหมองดำสนิทหน้าดูหน้าชมเหมือนสีอิฐ แก่ไฟเนี่ยนะไม่ใช่ว่าดำปีไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่เหมือนสีอิดที่แก่ไฟถัดนั้นเข้าไปก็เป็นสีขาวขาวดีขาวล้วนขาวผ่องงามหน้าดูหน้าชมเหมือนสีดาวประกายพรึกเพลนตาของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นเนี่ยจ ะ, จะแววาวเนี่ยนะววาวด้วยสีทั้งหลายตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำแล้วก็สีขาว อันนี้เป็นดวงตาที่สำเร็จด้วยบุญยริษณ์เนี่ยนะด้วยบุญยริษณ์บุญกรรมเนี่ยตกแต่งให้พระองค์เนี่ยผู้มีพระมังจะมังสะจักสุคือดวงตาโดยปกติของพระองค์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เนื่องด้ว ย, วยอัตภาพเกิดเพราะสุดจริตกรรมที่พระองค์เคยทำไว้แต่ปางก่อนในในพบก่อนชาติก่อนพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มองผู้อื่นด้วยสายตาที่ประกอบ ด้วยเมตตามองด้วยสายตาที่ปรารถนาหวังดีมองด้วยสายตาที่ปร า, า, า, าปรถนาความสุขความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายพ้นแห่งสุจริตกรรมมา น, นั้นน่ะทำให้พระองค์เนี่ยมีดวงตาที่งดงาม่เรียกว่าเพราะดวงตาของพระองค์นั้นมองด้วยเมตตานั่นนะคือพระองค์มีตาไม่ได้ใช้ตาเอาไว้เป็นที่ที่เรียกว่ า, าไว้ที่เหมือนกับสายตาเชื่อดเฉือนสายตาประทุสร้ายเบียดเบียนแต่ไม่ จะเป็นสายตาที่มองด้วยเมตตาเนี่ยนะมองด้วยความปรารถนาดีมองด้วยความหวังดีนั้นบุญกรรม น, นั้นเป็นปัจจัยให้ดวงตาของพระองค์นี่งดงาม น, นะเป็นที่น่าดูน่าชมเนี่ยนะดวงตาของพระองค์นั้นโดยปกติท่อพระเนรมองเห็นตลอดพื้นที่หนึ่งโยธโดยรอบทั้งกลางคืนทั้งกลางวันประมาณสิบกกิโลเมตรเนี่ยนะสิบหกกิโลเมตรเนี่ยทั้งกลางวืนกลางคืนกลางวัน มองเห็นเหมือนกันหมดโดยที่สุดแม้กระทั่งคืนใดเป็นคืนที่ประกอบไปด้วยความมืดมืดมิดเลยเนี่ยนะเป็นความมืดที่ประกอบด้วยองค์สีคือดวงอาทิตย์อสดงคตหมายถึงเที่ยงคืนและคืนนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรงคืนที่อยู่ในแนวปากทึบอากาละเมฆตั้งขึ้นเนี่ยเมกหมอกเนี่ยตึมไปหมดเลย ขนาดความมืดที่ประกอบด้วยองคศีเห็นปานนั้นพระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นตลอดร้อยโยต์ตลอดหนึ่งโยตโดยรอบก็แปลว่าดึกดื่นเที่ยงคืนมืดมิดขนาดไหนถ้าพองอ่านหนังสือก็อ่านเห็นอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นจะเป็นหลุมเป็นบานประตูกำแพงภูเขากอไม้หรือเถาวันไม่ได้เป็นเครื่องกั้นในการทอดพระเนตรเห็นของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ย น, นะไม่มีสิ่งใดทจะมาปิดบัง ถ้าพระองค์จะเห็นอันนี้เห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาไม่มีกำแพงมีภูเขาบางประตูช่องเหล่าใดที่จะมาปิดกัน้นการเห็นของพระองค์เลยมันจึงไม่มีเครื่องมาปิดบังพระเนตรของพระองค์ที่จะเห็นรูปทั้งหลายโดยที่สุดแม้ว่าบุคคลเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะนะหรือเมล็ดงานเนี่ยเป็นเครื่องหมายใส่ลงไปในเกวียนบรรทุกงา หมายเขาว่าเกวียนนี่เป็นเกวียนบรรทุกงาใส่เมล็ดพันธุ์ผักกาดลงไปในนั้นบุคคลนั้นพึงเอาเมล็ดงานั้นขึ้นมังสะจักษุเป็นปกติของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์คือคือเอาเมล็ดเอ่เมาเล็ดผักกาดผักเอ่มาเล็ดพันธุ์ผักกาดหยอดลงไปในเกลือไว้ในเมล็ดงาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมองเห็นสามารถหยิบเอามาได้เลยเนี่ยนะนะก็คือไม่มีสิ่งใดที่จะมาปิดมากัน้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิด เพราะอะไรเพราะพระองค์ เ, เ, น, นะสส เ, น, เนี่ยเป็นผู้ที่ทำบุญด้วยแสงสว่างเป็นต้นเนี่ยนะเป็นพระองค์เป็นผู้ที่ทาบุญด้วยแสงสว่างให้แสงสว่างเป็นเป็นธานเนี่ยปริมาณที่จำนวนมากแล้วก็ด้วยอำ น, นาจของเมตตาที่พระองค์มองต่อสัตว์ทั้งหลายก็บมองด้วยสายตาที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะก็ทำให้พระองค์เป็นผู้ที่มี ด, ว, ดวงตางามดวงตาของพระองค์นั้นจึงบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งการมองเห็นภาพ ซึ่งตาปกติของคนทั่วไปเนี่ยนะเกลือกกล้วด้วยน้ําเสลตเสมหะเนี่ยนะน้ำคัดหลังที่ที่มันไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยมีคุณภาพทําให้ประสิทธิภาพการเห็นเนี่ยน้อยลงเนี่ยนะน้ำคัดหลังทั้งหลายรู้บ่าแไหมกะทั่งน้ำที่ที่เปื้อนกับเลือดเนี่ยนะน้ำเลือดทั้งหลายที่มาเลี้ยงดวงตาเนี่ยซึ่งเป็นน้ําเลือดเป็นต้นที่ไม่ค่อยมีคุณภาพทําให้อนุภาพการเห็นเนี่ยไม่ดีหรือน้ําดีเนี่ยนะน้ำดีที่ปนมากับน้ําเลือดเนี่ย ก็ทำให้ตาเนี่ยไม่มีคุณภาพหรือกรรมที่นำเกิดเป็นกรรมที่ไม่ดีเท่าไหร่เป็นกรรมที่ไม่มีคุณภาพทำให้อนุภาพการเห็นเนี่ยไม่ดีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะด้วยผลแห่งสุจริตกรรมด้วยผลแห่งคุณงามความดีที่พระองค์สั่งสมมาเนี่ยทำให้พระองค์มองเห็นได้อย่างนั้นแม้กระทั่งกลางคืนเดือนมืดที่มืดมิดพระองค์ก็สามารถที่จะส่องมองเห็นภาพทั้งปวงได้โดยไม่ติดไม่ขัด เปรียบเหมือนกล้องคุณภาพชั้นดีเนี่ยนะที่จริงก็คำถามว่าเอ๊ะจะมีใครมองเห็นในรัศมีพื้นที่เป็นสิบหกิโลเมตรเป็นต้นได้จริงหรือแต่ถ้าหากว่าเปรียบถึงว่าถามว่ากล้องสองทางไกลเป็นต้นได้สร้างบารมีมาถึงเสียสงไข่ไหมทําไมกล้องสองทางไกลจึงมองเห็นได้ตั้งมากมายเนี่ยนะพวกกล้องเหล่านั้นแค่เอามาแตะตาเนี่ยคนมีกิเลสทั้งหลายตาธรรมดาก็ยังมองเห็นได้ตั้งยาวไกลแล้วดวงตาของ พระพุทธเจ้าล่ะผู้ที่มีบุญผู้ที่สั่งสมบุญกล้องบางประเภทเนี่ยนะถ่ายได้ตอนกลางคืนได้เก็บภาพรายละเอียดต่างๆในตอนกลางคืนได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีดวงตาพอที่จะมองเห็นภาพในสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีรูปสีสันเหล่าใดที่จะมาปิดบังดวงตาของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยนะตันเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นอย่างพระปรุโป่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น อันนี้คือตาเนื้อธรรมดาทั้งหลายทีนี้ถ้าตาทิพย์เนี่ยนะพระองค์ผู้มีทิพจักสุเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาวิชาอันหนึ่งของพระองค์ก็คือทิพจักสุญานพระองค์เป็นผู้มีพระทิพจักสุญาณเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พิจารณาเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติและกําลังอุบัติสัตว์ที่กําลังตายแล้วก็กําลังเกิดเนี่ยนะ ใช้คำว่าสัตว์ที่กำลังตายสภาพแห่งการตายของสัตว์ทั้งหลายถ้าร่างกายมันอยู่ได้ด้วยดีสัตว์ทั้งหลายก็คงไม่ตายเป็นแน่สภาพแห่งร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตายเป็นอย่างไรอย่างบางคนเนี่ยตายเพราะโรคปวดโรคศีรษะเนี่ยนะกลุ่มโรคศีรษะเป็นเหตุให้ตายบางพวกเนี่ยตายเพราะเอ่อร่างกายอวัยวะทั้งหลายในภายในเช่นหัวใจตับพังผืด ม, ม้าม ปอดลำไส้ใหญ่เป็นต้นเนี่ยมันมีปัญหาโรคทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ตายแล้วเมื่อโรคทั้งหลายบีบคั้นเบียดเบียมสภาพจิตจิตของผู้ก่อนจะตายนั้นอยู่ในสภาพเหล่าใดพรานพระองค์รู้จุติก็คือรู้ว่าสภาพจิตของหมูสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจุตินั้นเป็นอย่างไรเพราะเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยมองรู้เรียกว่าอนุภาพของที่ประจักษ์โสของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์รู้สภาพ ความนึกคิดของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังก่อนตายสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสภาพก่อนจะตายเนี่ยก็มีผู้ที่หลงทำกาละกับไม่หลงทำรรกาละสัตว์เหล่าใดที่มีสภาพจิตที่เกลือกล้วด้วยราคะโทสะและโมหะสภาพจิตของสัตว์เหล่านั้นชื่อเรียกว่าเนี่ยนะหลงตายเนี่ยนะ จิตเหล่าใดาที่กําลังติดข้องลุ่มหลงด้วยอำนาจราคะก็ตามโทสะก็ตามสภาพจิตขณะนั้นเรียกว่าลุ่มหลงคํากตาละเพราะสัตว์เหล่านั้นระลึกถึงความดีไม่ได้เลยนะระลึกถึงอะโลภาไม่ได้ระลึกถึงอะโทสะร ะ, ะลึกถึงอะโมหะเช่นระลึกถึงทานก็ไม่ได้ระลึกถึงศีลก็ไม่ได้ระลึกถึงสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายก็ไม่ได้ระลึกถึงนี่ตาเป็นต้นก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้เจริญมาไม่ได้สั่งสมมา เมื่อไม่ได้เจริญไม่ได้สังสมคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสภาพร่างกายที่มีปัญหาอากุศลจิตทั้งหลายก็กลุ่มลมเมืมม่อกุศลจิตทั้งหลายกลุ่มลมอ่านะแล้วจุติลงไปเนี่ยนะแล้วปฏิสนธิควรจะเป็นที่ไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิทั้งสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจุติและอุบัติเรียกว่าหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอ่า น, นะเพราะว่าสัตว์เหล่าใดาเนี่ยนะประพฤติทุจริตกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ประกอบด้วยวจีทุจริตเนี่ยนะเป็นผู้ที่ติเตียนพระเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิกระทํากรรมด้วยอนุภาพของมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยเพราะมิจฉาทิฐิเหล่านั้นเป็นปัจจัยเขาก็ระลึกถึงทิฐิของเขาเพราะสัตว์ทั้งหลายเห็นอย่างไรมันก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้ว ะ, ะนั้นสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ก่อนจะจุติก็เป็นจิตที่เศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองทุกคติก็หวังได้ ก็ตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนะรกเดนะอย่างหน้านี้โดยเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยนะถ้าใครเที่ยวไปในป่านในเขาเป็นต้นเสียงสัตว์ในป่าจะร้องระ ง, งมไพรไปหมดโดยขนาดนั่งอยู่ตรงนี้นะในเมืองหลวงเนี่ยยังมีเสียงเหล่าเดรัจฉานให้ได้ยินทั้งหลายเพราะโดยปกติพื้นฐานแล้วสัตว์ทั้งหลายมีจิตเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองอบายทุกขติวินิบาตนะรกเป็นต้นก็ หวังได้เพราะบางคนเนี่ยตายเพราะถูกทำปาณาติบาตสัตว์บางพวกตายเพรา ะ, ะถูกเขาทำปาณาติบาตเนี่ยนะสัตว์บางพวกตายเพราะประสบอุบัติเหตุเป็นต้นสภาพจิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ตายเนี่ยนะโดยมากก็เศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองจะไปไหนนะซึ่งตรงกันข้ามกับสัตว์ที่ประกอบคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองระลึกถึงศีล ที่ตัวเองเคยรักษามาเป็นอย่างดีระลึกถึงจารีตศีลระลึกถึงวาฤตศีลทั้งหลายระลึกถึงเมตตาเนี่ยนะระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและพระสังฆคุณเป็นต้นระลึกถึงาทานที่เคยให้ศีลที่เคยรักษาพาะะัสกุโศลจิตที่เกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็ทําให้จิตผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสสุขติก็หวังได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงมองเห็นว่าหมูสัตว์เหล่าใดที่ ทำความดีสุดจริตกรรมด้วยกาย น, นะด้วยกุศลเจตนาจารีตศีลวารีตศีลเวน้นจากปาณาติบาตอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารมีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นมีวารีตศีลจารีตศีลทางวาจา้วก็มีจารีตศีลวารีตศีลในในด้านจิตใจเนี่ยนะเป็นใจที่จเจริญอานาพิชาอัพยาบาศและสัมมาทิฏกุศลจิตเหล่านั้นก็ช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง ไม่ให้ตกไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตททำให้เกิดในสุขติเช่นมนุษย์ทั้งหลายทำให้เกิดโลกสวรรค์ทั้งหลาย